แนะนำบทกอฟิดบทกอฟิดเป็นบทมักกิยามีแปดสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการสรุดีคุณลักษณะอันดีงามของอัลลอฮ์และสัญญานันยิ่งใหญ่ของพระองและได้เผยหเห็นถึงการโต้เถียงของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาต่างๆของอัลลอ้์ทั้งๆที่สัจธรรมนั้นได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขาแล้วคณะนั้นก็ดีนักโต้เถียง และบรรดาผู้ยะโสก็ยังโต้เถียงและแสดงอาการหย่งยะโสอยู่บทได้เผยเห็นถึงจุดจบของประชาชาติในอดีตซึ่งอวโลกได้ทำลายล้างพวกเขาด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยไม่มีมนุษย์คนใดรอดพ้นไปได้ท่้งกลางบรรยากาศที่น่ากลัวนี้ก็ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของมาลิกะ ผู้แบกบอลลังในการมิงวอนขอของพวกเขาแก่ผู้ที่ยังเกรงและกลับเนื้อกลับตัวบทได้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งวันอาคิร์โ์และความน่ากลัวของวันนั้นโดยที่ฟวงบ่าวจะถูกมายืนต่อหน้าพระผู้ทรงอำนาจเพื่อการสอบสวนความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านได้ปกคลุมพวกเขา เสมือนกับว่าหัวใจมาจุกอยู่ที่คอหอยหรือเป็นลมหมดสติไปและในถ้ำกลางสภาพอ น, นากลัวและโกลาหลเช่นนั้นมนุษย์จะรับการตอบแทนอย่างยุติธรรมหากทำดีก็จะได้ดีหากทำชั่วก็จะได้ชั่วและบทได้กล่าวถึงเรื่องการอ ي ่ า, านศรัทธาและการละเมิดคือในการที่ดัมบีมูซาอะไลาฮิสลาม ได้เรียกร้องเชิญชวนฟิโรูนสู่การอิมานแต่ฟิรเอาประสงค์ที่จะฆ่ามูซาและบริวารของเขาโดยเกรงไปว่าการอิมานจะแพร่กระจายไปทัามกลางหมู่ชนของเขาเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อได้มีการกล่าวถึงเรื่องของมูซาและฟิรเอานั่นก็คือปรากฏการของชายผู้ศรัทธา ที่มาจากวงวานของเฟร์เราซึ่งซ่อนการศรัทธาของเขายอมสารภาพต่อสเธรรมด้วยความนอบน้อมและระมะระวัและด้วยการเปิดเผยและการประกาศอย่างชัดแจ้งเรื่องได้จบลงด้วยความหายหายนะของผู้ละเมื่อหญิงยักโสด้วยการจมน้ําตายในทะเลพร้อมกับบริวารและสมุนของเขาและด้วยความรอดทนของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย บทได้เผยถึงสัญญาณต่า ง, างๆแห่งจั ก, กรวาลบางชนิดเป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และย้ำถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์แก่บรรดาผู้ตั้งภาคีต่อพระองค์และปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์บทจบลงด้วยการกล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ละเมิดและหยิงญาโศและภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งประสบแก่พวกเขา โดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพแห่งการหลงลืมหลงระเริงบทนี้ถูกขนานนามว่าวาฟิดเพราะอาลัลลอ์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันสวยงามของอลัลลอ์ในตอนต้นของบทและได้กล่าวซ้ำถึงการอภัยในการเรียกร้องของชายผู้สถาว่าขณะที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกท่านไปสู่พระผู้ทรงอานาจผู้ทรงอภัยอย่างเด็ดขาด และบทยังถูกขนานนามว่าบทมุมินพระกล่าวถึงเรื่องของชายมุหมินผู้ศรัทธาที่มาจากวงวานของเฟริดเอาด้วยพระนามของลระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออามีฮา <me> ค, ลลคำพิริยีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอลัลลอฮ์ผู้ทรงเดชาลุภาพลาดผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรองอาภัยในความผิด และทรงรับการขออภัยโทษผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความโปรดปรานไม่มีพระเจ้าอื่ในใด น, นอกจากพระองค์อย่างพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับไปไม่มีผู้ใดจะโตเถียงเกี่ยวกับองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ นอกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอย่าได้การวางมาศของพวกเขาในหัวเมืองต่างๆเป็นที่หลอกลวงแก่เจ้าได้ เพระก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของงัวและพลพรรคต่างๆหลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธไปก่อนแล้วและทุกๆประชาชาติได้ตั้งใจเพื่อจะทำลายล้างรอดศูนของพวกเขาและโต้เถียงด้วยความเท็จเพื่อลบล้างความจริงให้ศูนย์สิ้นไป ดังนั้นข้าจึงได้เอาโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างการลงโทษของข้าและเะ่นนั้นแหละประกาศิบแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สมจริงแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเป็นชาณรกแน่ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة و ع ل م ا บรรดาผู้แบบบัลลังก์และผู้ที่อยู่รอบๆบบัลลังก์ต่างก็แท่ซองด้วยการสรุดีสรรเสริญพระผู้อธิบาลของพวกเขาและศรัทธาต่อพระองค์และขอไพร่โทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาโอพระผู้อธิบาลของเรา พระองค์ท่านทรงแผ่ความเมตตาและความรู้ไปทั่วทุกสิ่งขอพระองค์ทรงโปรดอภัยกับบรรดาผู้ขอลุกแก่โทษและดำเนินตามแนวทางของพระองค์ท่านและทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด ح ز, د د ز, ز โอ้พระผู้อภิบาลของเราและขอพระองค์ทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเขา พร้อมทั้งผูจจ้กระทำความดีจากบรรพบรุษของพวกเขาและผู้ครองของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณ และขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายและบุ้ใดที่พระองค์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายในวันนั้นแน่นอนพระองค์ท่านทรงเมตตาแก่เขาแล้วและนั่นคือความสําเร็จอันใหญ่หลวง ถ้านจิงบรรดาผู้ปฏ <Mutter> ิเสธศรัทธานั้นจะมีเสียงบอกมาว่าการเกลียดชังของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าการเกลียดชังของพวกเจ้าต่อตัวของพวกเจ้าเอง เมื่อพวกเจ้าถูกเรียกร้องสู่การศรัทธาและพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านทรงทำให้เราตายสองครั้ง และทรงทำให้เรามีชีวิตสองครั้งดังนั้นเราจะขอสารภาพต่อความผิดทั้งหลายของเราและจะมีทางออกแก่เราบ้างไห ม, ม น, ห ي ي นั่นก็เพราะว่าแท้จริงเมื่อ Allah องเดียวถูกกล่าวขึ้นพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาและเมื่อหากมีการตั้งพาคีกับพระลงพวกเจ้าก็จะศรัทธาดังนั้นการตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่อ พระองค์นั้นจะทรงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเจ้าและได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพลงมาจากฟ้าฟ้ า, กฟากแก่พวกเจ้าและจะไม่มีใครนึกขึ้นได้นอกจากผู้ที่สำนึกผิดเท่านั้ น, น, นการวิงวรขอต่ออลลอโดยเป็นผู้มีความบริสุทิใจต่อศาสนาของพรง์ แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามผู้ทรงตำแหน่งอันสูงเจ้าแห่งบัลลังก์ทรงทรงงค์งการลงมาตามพระบัญชาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากโลงเบาวของโลงเพื่อเตือนให้ระลึกถึงวันแห่งการพบประการนั่นก็คือวันกียาม์มาเยอมฮุมบาริซูนลายัฟฟาอัลอัลลอฮิมินฮุม์เชยีลิมันอิลมุลกุลยุมลิลลาฮิลวาฮิดอลกฮาตวันที่พวกเขาจะถูกปรากฏออกมา ไม่มีสิ่งใดจากพวกเขาจะซ่อนเล้นไปจากอัลลอฮ์อำนาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่าแน่นอนมันเป็นของอัลลอะ์ผู้ทรงเอกราผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด วันนี้ทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้กระทำไว้ไม่มีการอาภั m ในวันนี้แท้จริงอัลลอฮเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสว น, วน และจงเตือนพวกเขาให้ทราบถึงวันที่ใกล้เข้ามาคือวันเกียรมะเมื่อว่จใจเข้ามาติดอยู่ที่ลำคอด้วยความกดกลัน้นไม่มีมิสหายที่สนิทสนมสำหรับบรรดาผู้อาธรรมและไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดจะถูกเชื่อฟัง พระองค์ทรงรับรู้การทรเยอของดวงตาและสิ่งที่ซวง อ, อกปกปิดอยู่แล้วเราจะทรงตัดสินด้วยความยุติธรรมและบรรดาผู้ที่วิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้น พวกมันไม่อาจจะตัดสินใดๆได้แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกเหยและพิจารณาดูว่าบ้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเข่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายบนหน้าแผ่นดิน แล้วล้อส่งลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากอัลลอฮ์ไปได้นั่นก็เพราะว่า เมื่อบรรดาลเรศูนของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งพวกเขาก็ได้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ แต่โดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้งไปยังฟิรอาและหามาและกอรุและพวกเขาก็กล่าวว่ามูซาเป็นมายาผล น, นักโกหกตัวชากาะแลัมมันจะ ขั้นเมื <un sharing> ่อม <mauv> ูซาได้นำศธรรมจากเรามายังพวกเขาแต่พวกเขาก็กล่าวว่าจงฆ่าลูกชายของบรรดาผู้สรัธารุ่นกับเขา และไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเขาแต่แผนการของพวกปฏิเสธศรัตนั้นไม่ใช่อื่นใด น, น, นอกจากความผิดคลาดเท่านั้นและฟิรบบอนนดดเอาก่าว่าจงปล่อยฉัน ฉันจะฆ่ามูซาและเขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาเถิดแทจิฉันกลัวว่าเขาจะมาเปลี่ยนาศาสนาของพวกเจ้าหรือจะก่อการร้ายให้เกิดขึ้นในแผดวกาลมูซาอินีอุดทุบรับบีวรับบีบบบคุมมินคุลลิมุตคับริลล่ายุยมินุบิยุมอลฮิซับ และมูซากล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกเจ้าอิพ้นจากผู้หญิงยะโสทุกคนที่ไม่ศรัทธาตะ ว, วันแห่งการชำระสอบสวน أتقون ُُ ل رجلا أي يقول ُ ربي َ الله وقد ََ جاءكم َُ ب ِ ا ل ب َ ا ِ م يضبكم ُْ و َ إ ي ك ُ ك َ ا ب ً ا فعليه َََ ك ا ب ُ ه و َ إ ي ك ُ صادقا َ يصدق ِ بعض ُ الذي َ ي ع ُ ك م إن الله لا َ يهدي َ من هو ُ مسرف ُ ك َ ذ ا ب และชายผู้ศรัทธาคนหนึ่งจากพวกพ้องของฟวกเราซึ่งปกปิดการศรัทธาของพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจะฆ่าชายคนหนึ่งมูซาที่เขากล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์กระนั้นหรือและแน่นอนเขาได้นําหลักฐานอันชัดแจ้งมาจากพระเจ้าของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าและหากว่าเขาเป็นคนโกหกการโกหกของเขาก็อยู่ที่เขาเอง และหากว่าเขาเป็นคนพูดจริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าจกประสบแก่พวกเจ้าถ้าจริงอัลลอจะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่ละเมิดเป็นนักโกหกตัวชะกาดต่อเยาโอมิเลคุมุลมุลคุลย์อุมาฮิรีนฟิลอบ์ม่ยยัลซุนามินบดซิลลาญิอิจานา โลกกลุ่มชนของฉันวันนี้อำนาจการปกครองเป็นของพวกเจ้าอยู่บนแผ่นดินนี้คืออียิปต์แล้วใครเล่าจะช่วยเหลือเราจากการลงโทษของอัลลอฮ์หากมันได้เกิดขึ้นแก่เรา เฟืองเอกล่าวว่าฉันไม่ได้ชี้นําพวกเจ้าเว้นแต่สิ่งที่ฉันเห็นว่ามันถูกต้องเท่านั้นและฉันไม่ได้ชี้ทางนําแก่เจ้าเว้นแต่เป็นทางนําที่ถูกต้องเท่านั้นและชายผู้ศรัทธากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริง ฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการลงโทษของกลุ่มชนต่งตางๆในอนนะะนลลดีตลลลลเยี่ยงกับเคราะกรรมของกลุ่มชนนัวอาดและสมุดและกลับมูชนหลังจากพวกเขาแล้วล้อนั้นไม่ทรงประสงค์ การอาธรรมใดๆต่อปวงเบาปและโอ้กลุ่มชนของฉันฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการร้องเรียกหาซึ่งกันและกันวันที่พวกเจ้าหันหลังหนี ไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางแล้วก็จะไม่มีผู้ชี้แนะทางให้แก่เขา ลและโดยแน่นอนแต่คราวนี้ยูซุฟนบียูซุฟได้มาอย่างพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันคัดแจ้ง แต่พวกเจ้าก็ายังคงอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่เขาได้นํามาอย่างพวกเจ้าจนกระทั่งเมื่อเขาได้ตายไปแล้วพวกเจ้าก็าจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ะจะไม่ทรงแต่งตั้งาศาสนทูตคนใดอีกแล้วหลังจากเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ะจะทรงให้ผู้ที่ฝ่าฝืนสงสัยหลงผ่าน บรรดาผู้โตเถียงต่อองค์การต่างๆขอรลองโดยไม่มีหลักฐานใดๆมายังพวกเขาเป็นที่น่าเกลียดชังยิ่งณที่อัลลอฮและณที่บรรดาผู้ศรัทธา เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงประทับหัวใจของผู้จงหองยิ่งยะโสทุกคนและฟิรอาวุกล่าวว่าโอ้หามาเอ๋ยจงสร้างหอสูงให้ฉันเพื่อฉันจะได้บรรลุถึงทางที่ฉันจะขึ้นไป การที่จะขึ้นไปสู่บรรดาชั้นฟ้าเพื่อฉันจะได้เห็นพระเจ้าของมมเส แต่ถ้าจริงฉันแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนโกหกเช่นนั้นแหละการงานที่ชั่วช้าของเขาได้ถูกทำให้เพลิดแพร้วแก่ฟิรา่าและเขาถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอฮ์และแผนการของฟิร่านั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในความ และผู้สถานกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามฉันฉันจะชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันถูกต้อง โอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงชีวิตแห่งโลกนี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นและแท้จริงประโลกนั้นเป็นบ้านอันมั่นคัง ผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาจะไม่ได้รับการตอบแทน เว้นแต่เช่นเดียวกันนั้นและผู้ใดกระทำความดีเมื่อว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไซ้ทนเหล่านั้นแหละจะได้เข้าสวนสวรรค์จะได้รับปัจจัยอย่างชีพในนั้นโดยปราศจากการคำนวณนับ วะยาควมมาลีอด عوكم อิลั النج าสว่าจะด عون นนี้อิลันนาบโอ้กลุ่มชนของฉันทําไมฉันจึงเชิญชวนพวกเจ้าไปสู่การรอดผลแต่พวกเจ้ากลับเชิญชวนฉันไปสู่ฝ่ายนรั ز ز พวกเจ้าเชิญชวนฉันเพื่อให้ฉันปฏิเสธศรัทธาต่อหรอและตั้งพาคีต่อพระองค์โดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องนั้นและฉันได้เชิญชวนพวกเจ้าไปสู่ผู้ทรงอำนาจ ูสอ่งอััห้มมยไม่ต้องสงสัยเลยว่าแท้จริง ที่พวกเจ้าเชิญชวนฉันไปสู่นั้นมันไม่เหมาะสมที่จะเอาใจใส่แก่มันทั้งในโลกนี้และพรโลกด้วยและแท้จริงการกลับของเรานั้นไปสู่อัลลอฮ์และแท้จริงบรรดาผู้ฝา่าฝืนนั้นพวกเขาเป็นชาวนรก<ะ> แต่นั้นพวกเจ้าจะต้องรำลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกเจ้าและฉันขอมอบภารกิจของฉันแด่เอวะแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เฝ้าดูปวงบาบอาลัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเขา ให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว้และการลงทุด ท, ที่ชั่วช้ากก็จะห้อมล้อมบริเวณของฟริราวเอาไว้ไฟนรกนั้น จะถูกนำมาให้พวกเขาเห็นทั้งในายามเช้าและยามเย็นและในวันเสีย ม, มานั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิร์อาลเข้าไปรับการลงโทษที่สาหัสยิ่งเถึง نا نا และจงรำลึกถึงเมื่อพวกเขาได้โตเถียงกันในนรกพวกอ่อนแอกล่าวกับพวกหัวหน้าว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้า ดัง น, นั้นพวกเจ้าจะช่วยพวกเราให้พน้นจากการลงโทษสักส่วนหนึ่งของไฟนรกนี้ได้ไหมบรรดาหัวหน้ากล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหมดอยู่ในนรกแท้จริงอัลลอฮได้ทรงตัดสินระหว่างพวงเบาแล้วอย่างแน่นอน บรรดาผู้อยู่ในนรกกล่าวแก่ยามเฝ้าประตูนรกว่าโปรดช่วยวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้ลดหย่อนการลงโทษแก่เราสักวันนึ พวกเขากล่าวว่าบรรดาหอดสูญของพวกเจ้าไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามีครับ เขาทั้งหลายคล่าวว่าพวกเจ้าจงวิงวรขอเองสิแต่การวิงวรขอของพวกปฏิเศษสัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงถามอินนาลนนสรรรสลนาวัลวดีนอามนูฟิลหยาทิ ด, ดุนยาวะยามายกูมลัชชาด ถ้าจริงเราจะช่วยเหลือบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนทั้งในชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และในวันที่พยานทั้งหลายจะยืนขึ้นเป็นพยานวันที่การแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำเนยประโยชน์แกบ่บรรดาผู้อธรรม และสำหรับพวกเขาจะได้รับการสาบแช่งและสำหรับพวกเขาจะมีที่พำนัดอันเลวว้และโดยแน่นอนเราได้ประธานทางนแก่มูซาและเราได้คำราิราเและโดยแน่นอนเราได้ประทานทางนำแก่มูซาและเราได้คำพีเป็นมรดกแก่วงวานอิสราเอล บบเพื่อเป็นทางนำและข้อรำลึกแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายดังนั้นเจ้าจงอดทนเพราะแท้จริง สัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงและจงขอพย่โทษต่อความผิดของเจ้าและจงแท้สองสรุีด้วยการสรนเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งในยามเย็นและในยามเช้าอินนัลเดียนีจะดอลูนฟีอายาติลลาฮิบุไกรสุลตานอัตาุม แท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยปราศจากหลักฐานมายัางพวกเขานั้นไม่มีอะไรในสวงอกของพวกเขา นอกจากต้องการจะเป็นใหญ่ซึ่งพวกเขาจะไม่เป็นผู้บรรลุถึงมันได้แต่นั้นจรงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แจริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นแน่นอนการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่กวา่า รารส้งมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้และคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย กับพวกกระทำความชั่วก็ไม่เท่าเทียมกันเช่นกันเพียงแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใถ่ครูดแท้จริงวันอวสานนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆในวันนั้นแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ยอมศรัทธา ะละารับทุกม س ت ج ب لكم ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين لا รูบาลของเจ้าตรัส ว, ว่าจงมิงวอนขอต่อข้าเถิดข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าส่วนบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพพักดีแก่ข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกในสภาพอันต่ำต้อยอัลลคือผู้ที่จงรันุลไยดะล์ทังคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้พักฝ่อนในเวลาของมัน และกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงอัลลอะ์เป็นเจ้าของความโปรดปรานแก่ปวงมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณกนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อธิบาลของพวกเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอืาน่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงถูกหันเห อ, ออกจากพระองค์ล่ล AH ะเช่นนั้นแหละบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การขอระองจะถูกให้หันเห อ, ออกจากทางนละ่ะ a l l a h u l ع ل ل ك م الأرض ر ا و ا س م بناء ص و ر ت م فأحسن صورتم و م من ا ي ذ ك م الله رضكم فتبارك الله ر ع ا م ي ن อัลลอฮคือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่พำนักแก่พวกเจ้า และในชั้นฟ้าเป็นเพดานอันมั่นคงและทรงทําให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทําให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามและทรงประทานปัจจัยยั่งชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้านั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก รรพระองค์คือผู้ส่งเป็นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงวิงวอนขอต่อพระองค์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าแท้จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพภักดีต่อบรรดาพวกที่ท่านวิงวอนขออื่นจเะเหรอเมื่อหลักฐานทั้งหลายอันคัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของขันได้มาอย่างขันแล้วแต่ฉันถูกบัญชาให้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลก هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم ط ف ل ا ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا มพวกละละ ค, ค, คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วจากเชื้ออาุจิแล้วจากก้อนเลือดและทรงให้เจ้าคลอดออกมาเป็นทารุแล้วพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชะกันและพวกเจ้าจะได้เป็นคนชารา และในมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยที่ได้ถูกกำหนดไว้และเมื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไขขวดพระองค์คือพระผู้ทรงให้เป็นและให้ตาย ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำหนดกิจการใดๆพระองค์ก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมานมเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่โตเถียงกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์พวกเขาจะถูกหันเห อ, ออกไปอย่างไร บรรดาผู้ปฏิเสธต่อคำพีและต่อสิ่งที่เราได้ส่งมาพร้อมกับบรรดารอซูลของเราและพวกเขาก็จะได้รู้ เมื่อหวงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนโดยที่พวกเขาจะถูกลากไปเมื่อหวงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนโดยที่พวกเขาจะถูกลากไปในน้ําเดือดพล่าน แล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผ า, า, าไห ม, า ن ن ا, ม้ทุ่มม่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สิ่งที่พวกเจ้าตั้งพาธีอื่นจากอัลลอ์พวกเขากล่าวว่ามันได้หลงหายไปจากพวกเราแล้วแต่ว่าพวกเราไม่ได้วิงวอนขอต่อสิ่งใดก่อนหน้านี้ดอกเช่นนั้นแหละอัลลอส์ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธสถานหลงถาน ون الح ون นั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าหลงระเริงอยู่ในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรและเพราะว่าพวกเจ้าอวดอ ด, ดีโอ้ผู้จะเข้าไปในสَรรค์จะมีผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นผูมีควาลมุขมากที่ จงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรกโดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นฉะนั้นที่พำนักของพวกญิงพยองนั้นมันช่างชั่วช้าจริงๆดฉะนั้นเจ้าจงอดทน แท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงบางทีเราจะให้เจ้าได้เห็นบางสิ่งที่เราได้สัญญาแก่พวกเขาหรือเราจะทำให้เจ้าตายเสือกคอแต่นั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปอย่างเรา และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาหรรซูนมาก่อนหน้าเจ้าบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราบอกเล่าแข่เจ้าและบางคนในหมู่พวกเขา มีผู้ที่เราไม่ได้บอกเล่าแ่เจ้าและไม่บังควรแก่รอศูนย์ที่จะนำสัญญาณใดๆมาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอลัลลอ์ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอ์มาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกตัดสินด้วยความยุติธรรม ขณะนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะขาดทุนอย่างย่อยยับอัลลอฮคือผู้ทรงทาปะสุตส์บางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้เป็นพาหาระและบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้บริโภก และสำหรับพวกเจ้าในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากลายและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุความปรารถนาที่มีอยู่ในสวงอกของพวกเจ้าและพวกเจ้าบรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกับที่ใช้บรรทุกบนเรือ และโปรงส่งให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ดังนั้นด้วยสัญญาณต่างๆของลออันใดเล่าที่พวกเจ้าปฏิเสธ و و พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดรอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าพวกเขา และมีพลังเข้มแข็งกว่าและได้ทิ้งร่องรอยไว้ามากมายในผลิตแต่นั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่ดังนั้น เมื่อบัรดารอศูนย์ของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งพวกเขาก็ดีใจกับความรู้ที่มีอยู่กับพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ อครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างรุนแรงของเราพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาต่อล้อองค์เดียวและเราปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคยตั้งพาขี่ต่อฝนแต่ฟะเมียกูยฟะฮุมอีมาลุมลัมมารับอบะสนา แต่การศรัทธาของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยแต่เมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรานี่คือแนวทางของลอตที่ได้มีมาแต่ในอดีตต่อปวงเบาของกรุงและขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ